ปาจิตติโอวาทวักที่สามสิกขาบทนิวักนี้ปรารบถึงภิกษุณีทั้งนั้นสมควรจะแสดงความเกิดแห่งภิกษุณีก่อนในเวลาที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจแผ่พระศาสนาได้กว้างขวางออกไปแล้วอนุมานว่าราวนมัชฌิมโพธิการคือนับแต่เวลาได้ตรัสมาแล้วจนถึงนิพพานแบ่งเป็นสามตอนอยู่ในตอนกลาง พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระราชเทวีของพระเจ้าสุโธธนะพระพุทธบิดาพระมาตุชาของพระศาสดาผู้อภิบาลพระองค์มาแต่ยังทรงพระเยาวตั้งแต่พระนางมหามายาพระพุทธมาดาที่วงคตแล้วทรงพระธนาจะอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้ทูลขอพระพุทธานุญาตมาหลายครั้งยังมีประทานโดยทรงพระพุทธดาริเห็นการข้างหน้าว่า เมื่อมาตุคามอุปสมบทได้พระศาสนาจะไม่ถาวรแต่ภายหลังครั้งเสด็จอยู่เมืองภยัยาลีหรือเวสาลีท่านพระอาณนนท์กราบทูลถามปัญหาว่ามาตุคามผู้บวชแล้วมีทางจะบรรลุธรรมพิเศษได้หรือไม่เมื่อประธานพระพุทธวินิจฉัยว่าอาจอยู่พระอานนท์จึงทูลขอเพื่อทรงอนุญาตอุปสมบทาแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นภิกษุณี ทรงปรารบข้อว่าสตรีเป็นภพภะบุคคลคือบุคคลผู้ควรเก่การบรรลุธรรมพิเศษได้เท่ากับบุรุษจึงได้ทรงอนุมัติและประธานพระพุทธานุญาตให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีอุปสมบทเป็นภิกษุณีโดยยอมรับประพฤติธรรมบางประการโดยใจความก็คือจะยอมอ่อนน้อมเป็นรองภิกษุอยู่เสมอไปไมีวางตนเสมอกัร และจะยอมีความประพฤติเป็นไปเนื่องด้วยภิกษุสงฆ์ไม่อยู่เป็นอิสระตามลําพังพระนางเธอได้เป็นภิกษุณีพระองค์แรกในพระพุทธศาสนาในลําดับนั้นประธานพระพุทธานุญาตอุปสมบทพวกนางสาวกิยานีผู้บริวารของพระนางมหาประชาบดีโคตมีด้วยยติจตุทธตกกรรมในลําดับมาพวกหญิงผู้เข้ามาขออุปสมบท ถูกซักไซส์ไล่เลียงอันตรายิกธรรมในสำนักภิกษุสงฆ์มีความอับอายจึงประทานพระพุทธานุญาตให้ภิกษุณีสงฆซักไซส์ไล่เลียงและอุปสมบทคราวหนึ่งก่อนแลพามารับอุปสมบทในสำนักภิกษุสงฆ์ไม่ต้องถูกไล่เลียงอีกสวดให้อุปสมบททีเดียวอันตรายิกธรรมหมายถึงทำอันกระทำอันตราย คือเป็นเหตุขัดขวางต่างๆซึ่งอันตรายิกธรรมของพระภิกษุมี13ข้อของภิกษุณีมี24ข้อตัวอย่างคำถามของภิกษุที่ต้องถามเมื่อบวชเช่นเป็นโรคเรื้อนหรือไม่เป็นมนุษย์ใช่ไหมเป็นผู้ชายใช่ไหมภิกษุณีผู้ได้รับอุปสมบทในภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวก็ดีในภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว ยังไม่ทันได้รับในภิกษุสงฆ์ก็ดีเรียกเอกโตอุปสัมปนาไม่จัดเป็นภิกษุณีเต็มที่ในสิกขาบทภิกษุณีผู้ได้รับอุปสมบทครบในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเรียกอุพัโตอุปสัมปนาจัดเป็นภิกษุณีเต็มที่ในสิกขาบทภิกษุณีนี้มีสิกขาและขนบธรรมเนียมซึ่งเรียกว่าสาชีพ ทำนองเดียวกับภิกษุแต่ถือสิกขาบทบางอย่างต่างจากภิกษุก็มีสิกขาบทของภิกษุณีนั้นทรงบัญญัติโดยโกวดขันตัดทางที่จะมีแพร่หลายเสียเพราะเหตุนั้นภิกษุณีจึงได้สาบสูญมานานแล้วในครั้งทำสังคยานาคราวแรกไม่ได้กล่าวถึงเลยในคราวที่สองกล่าวถึงก็รัวเต็มทีไม่ได้เกี่ยวในท้องเรื่องในคราวที่สาม กล่าวถึงนางสังฆมิตาราชกุมารีพระราชบุตรีของพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงผนวดเป็นภิกษุณีและมาประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ที่ลังกาความจริงอยู่เพียงไรยังเป็นข้อจะพึงสันนิษฐานกล่าวนี้จะกล่าวถึงสิกขาบทต่อไปปาจิตติโอวาทวั์สิกขาบทที่หนึ่งว่าอันหนึ่งภิกษุใด ไม่ได้รับสมมุติสั่งสอนพวกภิกษุณีเป็นปาจิตติเป็นธรรมเนียมของภิกษุณีจะต้องรับโอวาจากภิกษุทรง์ทุกกือกเดือนถ้าล่วงคราวต้องปาจิตตินี้เป็นธรรมประการหนึ่งที่ตรัสเอาสัญญาให้พระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับถือเมื่อครั้งรับอุปสัมปทาคืออุปสมบท ภิกษุผู้จะสั่งสอนนางภิกษุณีนั้นต้องเป็นผู้ที่ทรงสมุติไว้ภิกษุผู้ไม่ได้รับสมมุิสอนนางภิกษุณีต้องปาจิตติโอวาทวักสิกขาบทที่สองว่าถ้าภิกษุแม้ได้รับสมมุติแล้วเมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้วคือตกดินแล้ว สั่งสอนพวกภิกษุณีเป็นปาจิตติโอวาทวักศิกขาบทที่สามว่าอันหนึ่งภิกษุใดเข้าไปสู่ที่อาศัยแห่งภิกษุณีแล้วสั่งสอนพวกภิกษุณีเว้นไวนแต่สมัยเป็นปาจิตตีนี้สมัยในเรื่องนั้นคือภิกษุณีอาพาธ อวาธวักสิกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดกล่าวอย่างนี้ว่าพวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณีเพราะเหตุอามิตรเป็นปาจิตตีอุวาทวักสิกขาบทที่ห้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้มีชัยญาตเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนเป็นปาจิตตี โอวาทวากักซิขาบทที่หกว่าอันหนึ่งภิกษุใดเย็บก็ดีให้เย็บก็ดีซึ่งจีวรเพื่อภิกษุณีผู้มีชัยญาตเป็นปาจิตติโอวาทวากักซิขาบทที่เจ็ว่าอันหนึ่งภิกษุใดชักชวนกันแล้วเดินทางไกลด้วยกันกับภิกษุณีโดยที่สุดแม้เส้นระยะบ้านหนึ่ง เว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตตีนี้สมัยในเรื่องนั้นทางเป็นที่จะต้องไปด้วยพวกเวียน ร, รู้กันอยู่ว่าเป็นที่มีรังเกียจมีภัยเฉพาะหน้าโอวาทวักสิกขาบทที่แดว่าอันหนึ่งภิกษุได้ชักชวนแล้วขึ้นเรือลำเดียวกับภิกษุณีขึ้นน้ำไปก็ดี ล่องน้ำไปก็ดีเว้นไว้แต่ข้ามฟากเป็นปาจิตตีโอวาทวักศิขาบทที่ก้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ฉันบินทบาทอันภิกษุณีแนะนำให้ถวายเว้นไว้แต่ขครหัดปรารบไว้ก่อนเป็นปาจิตตี โอวาทะวักสิกขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งภิกษุใดผู้เดียวสำเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผู้เดียวเป็นปาจิตติสิกขาบทเหล่านี้มีความกระจ่างแล้วทั้งล่วงเวลาเสแล้วแม้มีข้อที่จะพึงกล่าวบ้างก็เกรงจะชักช้าด้วยไม่จำเป็นจึงงดไว้เสีย